25อาตาเป็นความรู้ขั้นปรมาถ ธ, ธรรมถึงโลกุตระความรู้ที่จะรู้จากรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอาตมารหรืออาตานั้นเป็นความรู้ขั้นโลกุตระซึ่งเป็นปรมาถ ธ, ธรรมในาศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อัตาโดยพระองค์เองสัมมาสัมพุโทโธส่วนผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุโทโธจะตรัสรู้เอาเองอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ความรู้โลกกตระต้องได้จากพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยตรงก็โดยจากการถ่ายทอดของผู้ที่ได้มาก่อนพระอริยสาวก ความรู้ขั้นโลกุตระนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถตรัสรู้ความรู้นี้คือพุทธธรรมขั้นโลกุตระได้เองต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าหรือจากอาริยสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีโลกุตระธรรมมาแล้วก่อนจึงมีการสืบทอดแก่กันและกัน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของความรู้นี้ในพุทธกัลหนึ่ ง, งที่เกิดพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกนั่นคือผู้นั้นก็ต้องได้รับถ่ายทอดโดยฟังมาจากผู้มีโลกุตระธรรมคนก่อนแล้วผู้นี้จึงจะนำไปปฏิบัติจนบรรลุโลกุตระธรรมในตนจริงก่อน จึงจะเริ่มเป็นผู้มีโรคุตรธรรมในตนชื่อว่าปัจเจกปัจเจกจึงคือผู้เริ่มมีโรคุตรธรรมเป็นของตนไปตามลำดับแต่ยังต้องพึ่งอารยะองค์อื่นในภูมิที่สูงกว่าจากผู้เป็นพี่ หรือยิ่งเป็นสายางอภิญญาผู้มีภูมิโลกุตระธรรมของตนเองมากพอถึงขั้นเกิดมาแต่ชาติในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นผู้มีของตนเองได้จริงมาแล้วและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ในยุคนั้นสมัยนั้น โดยไม่ต้องพึ่งอาเรียองค์อื่นมีอภิญยาสูงกว่าปัจเจกแต่ยังไม่ใช่สยมภูนะสายางอภิญยายังไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ได้รับถ่ายทอดความรู้ขั้นโลกรธรรมจึงชื่อว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ต้องฟังจากผู้อื่นจึงจะรู้ได้ เพราะรู้เองไม่ได้โลกุตละธรรมนี้ผู้ใดก็ไม่สามารถรู้เอาเองได้พระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธโธแปลว่าผู้ตรัสรู้ความเป็นพุทธโดยพระองค์เองและเป็นผู้สามารถสร้างศาสนาพุทธขึ้นได้สําเร็จในโลกด้วยพระองค์เองแต่ละพุทธกับ